นีกพวกถือสินต้ <ละ S 1> น, นมากตั้งใจปฏิบัติเหมือนเดิมแล้วนุงปู่อยู่หรือไม่อยู่ยิ่งไม่อยู่ยิ่งระมัดระวังนอกจักไม่ระมัดระวังตัวระมัดระวังใจจะปล่อยจิเลสมันไปกัดกัน โอเคเว่าคัมวางสั่นบาถึงกิเลสวะเห็นว่าต้องลองสมานสามัคคีบริจักเรนยิ่งแขวใช่กันยิ่งแขวะใส่กันกัดกันพวกเป็นจุ่มหงอพลอกระแลไม่เรื่องพลรอกระแลไม่เรื่องฐานที่ราคาม่หน่ยน่อยในนั่งสมาธิฝรันา ทีมีปัญหาดีกัว่าพระวันหน้ า, นาวันน้อนจิเรศโจมจนให้หัวใจหันขอรอแค่และโฟโว้เฟเว่ออกมาลดจิเรศนี่หาสิลหนาท่ำจะไหนสิดพอบัด <c oughs> มีวัดแย่ใจว่ามีปัญญาบอกขอร้องเพ่งดา จงหัวศิษย์จงหัวหูจงหัวยูจงหัวหมาสายสันเป่าได้เด็กจาหัวเป่ว่าพระดีพระศิษพระหูพระยูพระหมาขุปชาญาคูญาชาทั้งนั้นพระบวชูเราเอาสูบกูไปบวชนกสู ให้หูเ้เนี่ยตัวไม่แยกไม่งั้นพวกโคโลนหลอกจีนคือเขาดา่าที่พอคำ ว, ว่าคือก็ปรับตัวเจ้าของคือตัวผู้มีปัญญาหาแนวทางเพื่อว่าพ้นทุกข์ตัวเดี๋ยวตั้งไหนจะพ้นทุกข์ก่อนหรือจะมากัดกนันสั่นสิหาที่ไหนดีหาที่ไหนได้ก็จะว่าพบ คำสอนของผู้เจ้าหาศีลหาธรรมมาสอนสัตว์โลกเพื่อให้ปฏิบัติเพื่อไม่ให้มาเกิดหรือจะเกิ ด, ดยุคนี้คนว่าเกิดจะมีปัญหากันเด้อมันต้องเกิดตัวมัจงมีปัญหานี่จะดับสิ่งยากที่ดับเกเนว่าจะดับนว่าจะกกเรตีคนว่จะเกดดระเรต ถ้ามู้จักกิเลสมัจะมีเรื่องเลยมันมีปัญหาเหลยถ้ากิเลสฝ <c oughs> ีตีนสู้พรเจ้าบัญดาสู้เนีู้กับกิเลสมันเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจมันไมีบ้านเพี้ย น, นสร้างก็ใส่ได้สร้างอยู่ในหัวใจคนได้ถ <c oughs> ้ากิเลสก็ฆ่าอยู่ในหัวใจไปฆ่าคนอื่นไ่ได้หรอกฆ่าใครผู้ใด ไ, ไ่ได้หรอก ต่างคนต่างค่าให้ตนเองดูตนเองรักษาตนเองนะตนเตือน ต, อ น, ตอนไม่ได้ใครจะเตือนตอนเองหรอกนี่พระพุทธเจ้ามีอิธิฤทธอุปนิสัยวัฒนารมบารมีรู้จักหยิกใจเวนัยสัตว์ยังทรมานคนไม่ได้หรอกต้องตอนเองไปทรมานตนเองนั่นแหละตนนั่นแหละวิถีพึ่งของตอน ท่องเอาไว้จะไปหาเพ่งอันนั้นอันนีู้อื่นเพ่งก็งมาหาใจอย่าเกิ ด, ดอีกถึงฮะดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจเกิดเ่ราะเกิดความพอใจเกิดความเสียใจมันเกิดได้เดี่ยวกันชื่อว่าความเกิดมันแต่ทุกข์ทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีความเกิดไม่มีปัญห า, เ, าเขาก็ไปที่ถ้ามีปัญญามีปัญญาก็เกิดเท่าไหร่ก็ว่าไม่เกิดสิ ก็ตะวันเกิดเป็นไหนเฝ้าเพระเกิดเป็นได้ก็ว่าไ่าได้เฝ้าตีว่าวก็ว่ากิพยายามเน่นหนักภาคปฏิบัติไม่มีอะไรก็พูดไว้แล้วเรื่องประกาศต่างๆก็ดีไม่ต้องสร้างอะไรถ้าใครมีศรัทธาจึงมาสร้างสร้างไว้พอแรงแล้วมาอยู่ปฏิบัตทิทาเรื่องยุ่ง ก็ยาไปแล้วก็หายไปแล้วนี่ไม่ต้องไปพบประมาณอะไรให้ยุ่งอยู่แป๊บเดียวจะปุงนุ่นปรุงนี่ไปปรุงแต่วัดงามวัดงามวัดในใจมันงามไหมวัดตายวัดวาจาวัดใจให้งามงามที่ใจไม่ใช่โบทงามวัดพัฒนาตัวอย่างเอาอะไรเป็นพัฒนาตัวอย่างทีนี้เอาบทเอาประตูโขงคุ้มประตูของหอละคัง อันตีพัฒนาตัวอย่างต้องพัฒนาที่ใจ ใ, ใจงามใจยังไงงามรู้จักบก่ป่ะใจอยู่ในศีลในธรรมของกุศลเจ้าสุปฏิปโนกุศลปิยยะสามิจิอนุตรังปูนยกักเขตตังโลกัสสะนั่นเป็นเนื้อนาบ่เป็นเนื้อนาบุญอนุตรังบูนยกักเขตตังโลกัสสะถ้าไม่มีบุญก็แปลว่าอนุตรังบาปปูนยกักเขตตังสงสันติ บาปเป็นเนื้อหน้าบาปของโลกหรือเป็นเนื้อหน้าบุญวเข้ามานี่สิถ้าเป็นเนื้อหน้าบุญไม่มีปัญหานั่นถ้ามีปัญหาเสียเนื้อหน้าบาปพุเจ้าหาอะไรอะไรดูสิเขาขนกวยมาเราจะมาหาแต่เรื่องมีปัญหาปัญหาไม่ไละอายเลยหรือไม่มีฤกษ์คนละอายแก้ใจ ก็อพราะเราไม่รู้ไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ว่าละอายถ้าละอายเขาไปป้นทำไมตามจับสึกเท่าไหร่เท่าไหร่ทุกวั น, นยิ่งข่าวออกง่ายเขาเห็นผิดทัวนี้ถ่ายพาะส่งไปทั่วโลกแล้ว <c oughs> เราจะเอาจากนั่นหรือเสียสละทุกจิงทุกอย่างจากครอบจากครัวจากบ้านจากค้องจากปีจากน้องจากพ่อจากแม่จากอะไรมาแล้วก็ให้มัน ถูกต้องตามหลักเพราะคุทพะเจ้าทรงสั่งสอนถ้าตามแนวทางของพระเจ้านั่นทุกอย่างจบไม่มีปัญหาร แ, แล้วก็ให้ไม่เขา้าใจก็เอาเจาะๆไปพิจารณาดูที่หาความเมลากใจมันมีอะไรหรอถามเข้าไปรู้มันเกิดขึ้นอยู่ในใจมีหรือไม่มีรู้อยู่แกใจเัาจะตั้งรู้จำพอะตน ถ้ามีปัญ ห, หาก็แฟไม่รู้อะไรเลยไม่รู้บาปลูกบุญถ้ารู้บาปแล้วมนก็ไม่มีปัญห า, หารเราแก้แได้บุญ <c oughs> โยก็ตั้งใจ <c oughs> ถ้าพูดถึงผิดมันก็ผิดแล้ว กำหนดว่าจะกับแต่ละู่ขอต่อเ <c oughs> ป็นกิาการของเขาแต่นีเขดูลมกันว่าว่าอยู่ได้ก็ยู่ไปซะก่อนถ้าไม่มีใครร่องเรียนก็พออยู่ได้เดี๋ยวหน้าต่อไปก็จแก้ไขยห้มีอีกอันนี้มันมีมาแล้ว <c oughs> แลก้กเสียตละและ้วกดเสียตละทั้งแะตัวปัจจัย ถ้าพูดทั้งเสียตละมันก็เสียตละแต่ผลเสียก็ไม่ีกผลเสียคือไม่ตามเป้าหมายนะพูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งนะพูดว่าจะกลับวันน้นเปลี่ยนแปลงไปกลับวันไหนนี่ผลเสียกลับไปได้ออกเนได้ยมก็เหนียววอนโอ้ยมันบกเม็ดหลวงปู่พักกันหนีเมดแม่ขาก็หนีเม็เดแต่ตังแต่วันเป้า ใจใจไว้จังน้อยก็เสียสละทุ่มเหาค่าเครื่องบินให้เพราะนั้นอยู่แล้วก็พากันตั้งใจปฏิบัติจะพากันไปหาเที่ยวพอแม่พ่ออยู่ไปเที่ยวแหนก็ไปห้องเที่ยวมากกี่ประเทศแล้วพ่อจะหายกล่องใจเราเรื่องการเที่ยเฉพาะนักบวชได้กินหนังได้เลียนหนังแมหาแต่งตัวแต่งตัวท่าแป้งแต่งตั ว, ตต ว, ตตวก็วกไม่ได้ ไปใส่กับพวกเขาอยู่เขากินอื่นเราไล่เรากลับไปนีไปสิเสียเวลาไปเท่าไรเสียเท่าไคนอื่นเสียเท่าไรเสียงเป็นเสียงตายไปจากออกจากที่ไปไม่มีปัญหาน ะ, ะถ้าไม่มีปัญหามันก็ใครชั่วยถ้ามีปัญหาหรอผลสุดท้าย <laughs> เสียไปหมดดีมไม่ต้องเขาเขาให้รื้วัดเลยนะไม่ให้อยู่ เราจนต้องอาศัยทำย่อมรักษาผู้ปฏิบททัติธรรมบุญย่อมรักษาผู้มีบุญผู้ทำบุญไม่ตกไปทางที่ผัวก็แสดงเห็นอยู่เขาเที่ยวเขียนกันเที่ยวเขียนกันอย่จุมบอกว่า อ, อลุงปู่ฝ่ายเทวดาบนเทวดาไปในแน่ใจฝนตกเร้วมืองานเป็นไงยังอดได้อย ด้วยความสามาัคคีทั้งในด้วยทั้งนอกด้วยพอ <c oughs> เสร็จงานก็เริ่มลงมาหลคืนอนนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นจากฝากไว้ให้เน้นหนักภาคปฏิบัติเขาไว้จะได้ชื่อว่าทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติทำไม่ให้ตกไปทางที่ชั่ว <c oughs> ต้องเข้าใจจุดนี้ให้เน้นหนักกุดนี้จะคิดมีอคติในใจหวังไปเที่ยวนู้นเที่ยวเที่ยวไหนมันก็เหมือนเดิมแหละ โดยเฉพาะเราเสียสละมาแล้วไปดูธรรมะไปดูคนมัไม่แค่นั้นแหละสถานที่มันก็ดีหมดอะไรเขาทำดีเต็มที่แล้วแต่ยังใ จ, ใจของเรามันดีหรื อ, อยังมันวกมาหาตัวเรานี่อะไรมันดีหมดตัวเราดีหรื อ, อยังเราจะพ้นได้หรื อ, อยังหรือจะไปชอบอะไรละ่ะ มันจะสู้ทำของพระเจ้าไม่ได้ดอกอะไรอะไรถ้ามีศีลมีธรรมภูมิใจพอใจแล้วไม่ต้องไปคำนึงเรื่ของโลกีจ้ะมันไม่สิ้นสุดเต็นไหมมันตามไม่ทันแล้วคนบินได้ทุกวันนี่รถไม่มีคนขับก็บมีแล้ ว, วแต่ว่ายังไรล่ะไม่สิ้นสุดเรื่องของโลกีแต่ของพระเจ้าสิ้นสุดถ้าปฏิบัติได้แล้วไม่มีเกิดแก่เก็บตายมาจากงไหนไม่มีเกิดแล้วหรือไม่เชื่อจุดนี้ ถ้าเชื่อเราจะไปยุ้งทําไมอำนาจดุกุศลอกุศลญาติโยมลูกหลานญาติพี่น้องได้เสียตลาดมาแล้วทานก็ดีปฏิบัติธรรมก็ดีเป็นบุญกุศลบุญกุศลส่วนนี้จงปกป้องปกปักษ์กุศลอกุศลญาตโยมลูกหลานญาติพี่น้องได้จงได้รับความสะดวกสบายตลอดปลอดภัยเดินทางได้ความสะดวกสบายตลอดปลอดภัยการงานจึงได้การเงินถึงไห้ปัาจัยหนาสิ่งหนึ่งอันใดจงสําเร็จจงสําเร็จ สมดังความปัตตนาจงทุกประการเถิดสาธุพระพุทธองค์เป็นมรร